นายอำพลและระพินเดินตามมาส่งดารินจนถึงรถหล่อนก้าวเข้าไปนั่งในตอนหลังขณะที่เลขานุกการทำหน้าที่เปิดประตูให้อย่างนอบน้อมหญิงสาวกดสวิตช์เอากระจกลงโผล่หน้าออกมาภายหลังเมื่อประตูรถปิดและเครื่องปิดกระหึ่มขึ้นโดยคนขับไปก่อนแล้วนะคุณอำพลขอบคุณมากนะสำหรับอาหารกลางวันที่อร่อยมากนี่พวกหน่วยการของสถานีอ้มศีรษะโค้งให้ เชิญครับคุณหญิงขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับดารินหันไปมองระพินขยิบตาให้นิดนึงอย่าลืมนะที่สัญญาไวานะ้น่ะแพนใหญ่ชิดเท้าตรงแบบทหารครับผมไม่ลืมครับผมรถเริ่มเคลื่อนที่ช้าช้าดารินชงโงกออกมาโบกมือให้ระพินระพินแตกปิดหมวกต่อ ขณะที่จากั้วเก๋งกำลังจะเคลื่อนผ่านหน้าประตูสถานีกักสัตว์ออกไปพวกลูกน้องสีคนของเขาที่นั่งดวดเล่าอยู่ริมประตูก็ลุกขึ้นวิ่งกัมาห้อมล้อมส่งเสียงร่ำลานายหญิงกันขม่มเขาเห็นรถของหลอนจอดชะลออยู่ที่นั่นประมาณอึดใจใหญ่แล้วมันก็เลี้ยวลับหายออกไปพอลับตานายอภินก็ถอนใจยาวหันมาทางพรานใหญ่ คุณหญิงนี่เป็นผู้หญิงที่แปลกจริงๆแกนกล้าวราวกับผู้ชายอกสามซอกไม่เคยมีผู้ชายหน้าไหนทาบเธอได้ติดเลยสงสัยเธอจะอยู่เป็นสาวแก่แบบนี้ตลอดไปซะก็ไม่รู้ฮะหน่าเสียดายสวยช่เปล่าผู้หญิงเรียนมากๆความรู้สูงๆก็มักจะเห็นผู้ชายเป็นลิงเป็นข้างไปหมดอย่างนี้แหละผมไม่นึกนะว่าเธอจะย้อนกลับมาที่นี่อีกพ่านใหญ่ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบ ดูจนแก้นตอบคุณน้ำพลผมถามอะไรจริงๆสักอย่างได้ไหมอะไรล่ะครับเมื่อวานนี้ที่คนไปตามผมกับหนองน้าแห้งน่ะมันเรื่องอะไรกันแน่บุ่มในการหัวเราะมันก็ทั้งสองเรื่องนั่นแหละคุณรพินคือเรื่องที่ผมพูดกับคุณแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณหญิงเธอจะมาถึงที่นี่กันกับ ต, ตอนสายบอกว่าต้องการพบคุณ แล้วก็สั่งไม่ให้บอกคุณล่วงหน้าด้วยว่าเธอมาถึงที่นี่แล้วให้ผมเชิญคุณมาอย่านึกว่าผมหลอกคุณให้มาเลยนะรพินเธอบังคับผมยังงั้นจริงจริงราชสกุลก๊ ก, กนี่นะเจ้านายเก่าผมทแท้ๆขัดใจได้เึือะมไรแต่เธอไม่ได้บอกผมล่วงหน้านะว่าเธอจะไปพักที่หนองน้ำแห้งเมื่อคืนอจอมพรานไม่พูดอะไรอีกนอกจากพยักหน้าแล้วก้าวออกเดินเสียงนายอภรณตะโกนเรียกมาอีก อ้าวอ้าวอกรีไปไหนลรอคุณอยู่คุยกันก่อนสิรพินหันหน้ามาบอกโดยไม่หยุดเดินว่าผมจะเข้าไปพบนายอำเภอหน่อยครับคุณน้ำพลนายอำเภอก็เพิ่งย้ายมาใหม่นะเพื่อนเก่ารุ่นเดียวกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมขากลับถ้าไม่มือเกินไปผมจะแวะมาที่นี่อีกทีเนึง่งเอาไปว่าเตรียมเช็คเงินสดเอาไว้ผมด้วยแล้วกันเมื่อวานนี้ยังไม่ได้รับไปเลยเออจริงสินะผมก็ลืมซะอย่างสนิท พอเดี๋ยวแวะมาเอาแล้วกันก็าโกมือให้ตรงไปที่รถพวกร้านพื้นเมืองเขาร้องถามมาจะติดสอยห้อยตามไปด้วยตะพินก้าวขึ้นรถตามลำพังตะโกนบอกมาว่าอยู่กันที่นี่แหละฉันจะเข้าไปในอาเภอหน่อยตอนเย็นจะแวะกลับมารับแล้วก็ควบกิบ ป, ปูเลงปูเลงออกไ ป, ประพินไครวัน นั่งคุยอยู่ที่บ้านพักนายอำเภออันเป็นสหายเก่าของเขาจนกระทั่งเกือบห้าโมงเย็นขณะนั้นเองก็มีรถปิกอัพคันหนึ่งเลี้ยวเข้ามาจอดในบริเวณบ้านพักของนายอำเภออย่างรวดเร็วมีคนกระโดดลงมาเขาชะงงกดูทางระเบียงเห็นนายประเสริฐผู้จัดการของบริษัทไทยไวไลฟ์ย่ำอ้าวตรงเข้ามาโดยเร็วลักษณะลุกลี้ลุกลนผิดปกติพร้อมทั้งตะโกนเรียกเข้ามาด้วยคุณพินคุณพินครับ จอมพลางขมวดคิว้วอย่างแปลกใจร้องถามลงไปมีอะไรเรอครับคุณประเสริฐผู้จัดการไม่ตอบแต่กวากมือเรียกเขาด้วยอาการกระสับกระส่ายแพนใหญ่หันมาขอตัวกับเพื่อนผู้นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันแล้วลงบันไดามาโดยเร็วนายประเสริฐฉุดแขนเขาลับเข้าไป ใ, ใต้ถุนเรือนสูงแล้วพูดเร็วปรือคุณประพิงครับธุระด่วนที่สุดครับกูนาคนให้ผมมาเชิญคุณไปที่ออฟฟิศเดี๋ยวนี้ครับ ธุระด่วนอีกแล้วมันด่วนอะไรดวนจริงๆครับไอจะเป็นด่วดอะไรนี่ผมไม่ทราบครับนัดประสรุ่รายงานเป็นไฟพเนียงพวกคุณออกจากที่นั่นมาได้ชั่วโมงเดียวล่ะครับก็มีคนกลุ่มใหญ่ประมาณสักหกเจ็ดคนมาด้วยรถแวนขนาดใหญ่มีนายทหารเสนาธิการยศพลโทเป็นหัวหน้าคณะมาด้วยแล้วก็มีฝรั่งมาอีกสี่คนพวกนั้นก็เข้าไปคุยกันในห้องคุณนำพลอยู่สักพักนึงคุณนำพลก็พวดพลาดออกมาสั่งผม ให้ขับรถมนาะตามคุณเดี๋ยวนี้แหละครับบอกให้ตามคุณไปได้เดี๋ยวนี้ด้วยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเรื่องอะไรแต่สังเกตสีหน้าของคุณน้ำพลกับพวกที่มานั่นทุกคนดูจะกระสับกระส่ายร้อนรนยังไงก็บอกไม่ถูกแล้วรับวะอะไรกันวะ wow. ใครขี้ไม่ออกเจี่ยวไม่ออกก็ต้องมาตามนายรพินทุกครั้งไปหรือยังไงกันวะเขาทานลั่นออกมาอย่างหงุดหงิดเดือดดานใจในายประเสริฐยิ้มแห้งๆรีบวักกระเป๋าเสือ้อหยิบซองจดหมายฉบับหนึง่งส่งให้เขา อะไรอ่ะเนี่ยระพินตะคข้อผมก็ไม่ทราบนะครับคุณนําพลเขาบอกว่าเอาซองจดหมายนี่มาให้คุณครับระพินไครวันหน้ายุ่งคว้าซองจดหมายนั่นขึ้นมาดูมันเป็นซองขาวสะอาดเรียบเรียบไม่ได้จาหน้าหรือมีตัวอักษรใ ด, ดๆทั้งสิ้นแต่ปิดผนึกเรียบร้อยเขาฉีกซองออกข้างในไม่มีจดหมายอะไรทั้งสิ้นแต่มีนามบัตรแผ่นหนึ่งร่วงลงมาในมือครับ ยอมพลางหยิบขึ้นมาดูอย่างงงงด้านหน้าที่พบกับสายตาของเขาก่อนเป็นตัวพิมพ์บอกชื่อเจ้าของนามบัตรไว้ด้วยบอกไว้แต่เพียงว่าพลโทวิชัยไกรรนยุทธไม่แจ้งตำแหน่งสังกัด บ, บ้านที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อใดๆทั้งสิ้นแระพิ์กับพริตตาทีและพริกอีกด้านหนึ่งขึ้นดูพบกับไลยมือหวัดหวเขียนว่า คระพินที่นับถือเกี่ยวกับราชการลับสึกยอดในนามของฝ่ายข่าวกรองกระทรวงกลาโหมโปรดมาพบผมเดี๋ยวนี้ขอบคุณลายเซ็นของเจ้าของนามบัตรลงตอนท้ายนามนี้เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนลายเซ็นก็วัดอ่านไม่ออกแต่พอสันนิษฐานได้ว่าเป็นลายเซ็นของเจ้าของนามบัตรระพินไพยวันยืนงงไปชั่วขณะ ก็มองหน้าผู้จัดการบริษัทไทยไวยไลฟ์แล้วก้มลงดูนามบัตรอีกครั้งพยายามพลิกไปพลิกมาเหมือนจะหาข้อความอะไรให้กระจ่างชัดไป ก, กว่านั้นแต่มันก็ไม่มีความกระจ่างชัดใดๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทั้งสิน้นในที่สุดก็มองหน้านายประเสริฐอีกครั้งกับริบตาปริบปริบชูนามบัตรนั้นขึ้นคุณประสิทิ์อธิบายหน่อยได้ไมนี่แหละอาร ผมก็ยังไม่ทราบครับว่าในนั้นมีอะไรอยู่ขอผมดูหน่อยสิถ้าคุณคิดว่าให้ผมดูได้จอมพลส่งบัตรนั้นไปให้ดูอย่างง่ายๆกูจัดการรับมาอ่านแล้วทำหน้าพิกลอุทานออกมาว่าเฮ้เยก็ราช ก, การรับสุดยอดอะไรกันนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฝายข่าวครองกระทรวงการลาโหมด้วยนะคุณระพินพึมพำ แล้วยักไรล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันนายรพินไพรวันด้วยหรือวะเนี่ยนั่นสิครับผมแปลกใจเหลือเกินครับแต่ว่าเกี่ยวกับพวกผอกคก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะแถวนี้มันไม่ใช่ถิ่นของผู้ก่อการร้ายนี่แล้วพวกนั้นมากันกี่คนล่ะคุณเขาถามย้ำอีกครั้งรับนามบัตรไปถืออยู่ในมือสีหน้าเริ่มไม่สุขสงบนะักผมรีบมานะครับ ก็เลยยังไม่ทราบจำนวนแน่นอนกูนำพลนะเร่งผมใหญ่ทีเดียวให้มาตามคุณผมก็รีบมานี่แหละรู้สึกว่าจะหกหรือเจ็ดคนนะครับแต่ที่จำได้แน่แน่ก็คือฝรั่งสี่ผู้หญิงสองผู้ชายสองครับฝรั่งเลยรพินขมวดคิว้วและยกมือเกาขมาับพวกนั้นแต่งตัวกันยังไงอ่ะลักษณะท่าทางเป็นไงคุณก็ไปเวททุกคนนะครับ ก็เหมือนเดินทางมาเที่ยวตามชน บ, บทธรรมดานี่แหละแด้ทั้งตัวท่านนายพลก็แต่งธรรมดาครับก็ามากันที่สถานีกัดสั์เลยทีเดียวเหรอรู้ไหมใครเป็นคนนํามาผมรู้สึกว่านายทหารผู้ใหญ่นั้นเขาจะรู้จักผู้อำนวย ก, การดีอยู่แล้วครับแต่จะสนิทสนมกันแค่ไหนนี่ผมไม่ทราบครับระหว่างที่เขายืนพูดโต้ตอบอย่างรวดเร็วอยู่กับนายประเสริฐนายอำเภอผู้เป็นสหายก็ก้าวลงบันไดามาถามว่ามีอะไรเหรอดรพิน กระพินไม่ตอบยังยืนนิ่งจนกระทั่งนายอำเภอเดินเข้ามาถึงที่ผู้จัดการบริษัทไทยไวไลท์ยกมือขึ้นไหวและยิ้มไม่สนิทนักสักดามองหน้าทหารแอสมองหน้าสหายของเขากับนายประเสริฐสลับกันอยู่เช่นนั้นและก่อนที่จะเอ่ยถามอะไรชมพางก็ส่งนามบัตรนั้นไปให้เพื่อนเก่าของเขาสมัยเรียนมัธยมรับไปพลิกดูอย่างง ง, ง, งๆเช่นกันและภายหลังจากพิจารณาอยู่ครู่ใหญ่ก็เงยหน้าขึ้น ถ้ามันจะไม่ชอบมาพากรฉันแล้วว่ะรพินนายรีไปเถอะนี่มันเป็นเรื่องราชาการรับกระทรวงกลาโหมโดยตรงแน่นอนท่านนายพลวิชัยนี่ฉันเคยรู้จักชื่อมาก่อนนะเสนาธิการใหญ่ทีเดียวแล้วก็ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยก็ความตามที่ท่านเขียนมานี่เป็นการขอร้องให้นายไปพกจะต้องมีเรื่องสําคัญที่มีนายเกี่ยวข้องด้วยอย่างไม่มีปัญหาวะหมดกันโลกชิก จอมพลนบ่นอย่างหงุดหงิดใจเหลือที่จะกล่าวความจริงฉันก็ลาออกจากราชการมาเป็นราษฎรเต็มขั้นมานานเลยนะพวกราชการไม่ว่าฝ่ายไหนไหนก็ไม่น่าจะมายุ่งเกี่ยวกับฉันเลยแต่นายเคยเป็นตำรวจระเวนชายแดนเก่านะอย่าลืมซ้ำยังเรียนวิชาทหารมาโดยตรงถึงแม่นายจะลาออกยศของนายก็ยังอยู่แล้วก็อย่าว่าแต่นายจะเคยเป็นนายตำรวจเลยต่อให้นายไม่เคยเป็นอะไรเลยนอกจากเป็นราษฎร ถ้ามีเหตุฉุกเฉินสำคัญทางราชการเาก็ขอความร่วมมือกันายได้เสมอละ่ะและนี่กับนายราชการกลาโหมด้วยนายไม่มีทางเลี่ยงหรอกระพินสหายของเขาพูดอย่างข้าราชการคนหนึ่งแปลว่าฉันต้องไปพบนายพลคนนี้ดเดี๋ยวนีอย่างนั้นเหรอไปเถอะระพินฉันคิดว่าจะต้องมีเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับกรณีความมั่นคงของประเทศชาติแน่แน ไม่งั้นท่านคงไม่ถอร่างมาพบนายจนถึงที่นี่ด้วยตัวเองอย่างเป็นความลับและเป็นการส่วนตัวหรอกฉันเป็นนายอำเภออยู่ที่นี่ฉันยังไม่มีโอกาสได้รู้ล่วงหน้าเลยแทนใหญ่สบดอะไรอยู่ในลําคอแล้วหันมาบอกนายอำเภอศักดาว่าเอาไปก็ไปวะอุตสารหนี้มาอยู่สักลางดงดิพวกมนุษย์จอมยุ่งทั้งหลายก็ ย, ยังอุตสาดตามมายุ่งอยู่ได้ไม่สร้างซาอีกหน่อยเห็นจะต้องเปิดหนีไปอยู่หลมช้างกับไอ้ขยิง ไปลุ้ยสักเออโชคดีถ้ายัางไงแล้วก็มากริบบอกมั่งกแล้วกันนะแต่เส้นได้จริงๆบ่ะท่านควรจะติดต่อมาทางฉันซึ่งเป็นเจ้าของท้องถิ่นนี่กลับตรงไปพบคุณน้ำพลเลยรพินตกลจชะโงกมาพูดว่านายคนคนนั้นคงจะกลัวลิ้นสักสาของนายกระมังเลยไม่บอกอะไรให้รู้ข้าหัวท่านนายอำเภอหรือท่านผู้ว่าไปดักพบฉันเลย อะไรเป็นไปในทำนองดีฉันจะหาทางเสนอให้นายเป็นประหลัดจังหวัดซะโดยเร็วอย่าตกใจไปเลยเฮ้ยไอ้บ้าระพินพูดอะไรยังงั้นก็ไม่รู้อ่ะในอำเภอตะโกนไล่าตามหลังบนหัวเราะมาในขณะที่ระพิงกระโดดขึ้นรถของเขาสตาร์ทเครื่องขับพุ่งออกไปโดยเร็วไม่สนใจว่านายประเสริฐผู้จัดการจะขับรถตามก็มาทันหรือไม่หรือว่าจะไปไหนต่อ เมื่อก้าวเข้าไปในห้องโถงใหญ่ของตึกอำนวยการซึ่งเมื่อตอนบ่ายนี้เขารับประธานอาหารอยู่กรดารินและเลขานุการส่วนตัวของหลอนบัดนี้โต๊ะกลมนั้นได้ถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่ชุดรับแขกมีชายสูงอายุรูปร่างสันทัดใส่เสื้อฮาวายปล่อยชายเรียบเรียดกางเกงสีขี้มานั่งพูดอยู่กับเจ้าของสถานที่อยู่ก่อนแล้วห่างออกไปอีกเล็กน้อยเป็นชายหนุ่มหน้าตาดี ตัดผมเกรียนลักษณะเป็นคนในเครื่องแบบสวมเสื้อโบโลแบบสปอร์ตสีน้ำตาลขลิบขาวและกางเกงสีน้ำตาลไม่ร่างสูงโปรง่งนั่งดื่มเงียบเงียบอยู่ยังเก้าอี้อีกตัวหนึ่งภายในห้องนั้นมีคนอยู่แค่สามคนเท่านั้นลักษณะกำลังหารืออะไรกันอยู่แผวเบาสีหน้าเคร่งขรึมเมื่อพานใหญ่โผเข้าไปทั้งสามคนก็ผุดลุกขึ้นราวกันนับกันไวระพิน มาเร็วดีเหลือเกินนายอำพลร้รองออกมาพร้อมกับกรากเข้าจับแขนกระพินมองหน้าเหมือนจะถามและใช้หางตากวาดชำเลืองไปทางสองบุรุษต่างวัยที่ยืนห่างออกไปเล็กน้อยแวบหนึ่งเขาเห็นทั้งสองกำลังจ้องอยู่ที่เขาเขมงมีอะไรหระอครับคุณอำพลเขาถามขึ้นด้วยเสียงตังผูง้อำนวยการบริษัทส่งสัตว์ปาออกนอกประเทศมีอาการกระวนกระวายเล็กน้อย แล้วหันไปทางบุรุษผู้สูงอายุซึ่งบัดนี้กำลังยิ้ม น, นิดๆมองจับอยู่ที่เขาก่อนแล้วระพินท่านผู้นี้คือนายพลโท ว, วิชัยไกรรนยุทธเจ้ากรมข่าวกองทัพ บ, บกระพินหันไปเผชิญหน้าตรงแล้วชิดเท้าปังยกมือขึ้นวันธาหัดตามวินัยเดิมนายพลผู้นั้นก้มศีรษะลงรับอย่างอ่อนโยน ดวงตาที่แฝงแววกังวลไว้เริ่มมีประกายแสดงความยินดีเห็นได้ชัดเดีวตรงเข้ามาจาับมือเข้าไว้ยินดีที่ได้พบคุณรพินผมรือจะพูดให้ตรงกระสวงกลาโหมกำลังต้องการพบคุณอย่างเร่งด่วนที่สุดอ๋อแนะนำียเลยนี่ลูกชายผมเองเป็นท อ, อของผมด้วยพันุ์รีเชิดบุตรครับระพินหันไปทางบุรุษหนุ่มผู้นั้น ผู้ซึ่งก้มศีรษะให้เขาพร้อมกับอาการยิ้มเปิดเผยยอมพานก้มศีรษะตอบมีอะไรที่ผมจะรับใช้ท่านหรือกระทรวงกลาโหมได้หรือครับเขาถามเสียงเรียกปกติเช่นเดิมเดี่ยวกรมข่าวชุดแถนให้เขานั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามตนเองและท อ, อบุตรชายนั่งลงขนับข้างในขณะที่นายอําพลไปนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามภายหลังจากเดินไปปิดประตูห้องลุงกรอนสนิทแล้ว กรบพินผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีท่านนายพลกล่าวขึ้นอย่างเป็นกันเองแต่แฝงไปด้วยความร้อนรุ่มรุ่มใจขีดสุดคุณมาถึงเหนื่อยหนื่อยนั่งพักดื่มอะไรเยน็ยนๆสักครู่ก่อนดีไหมเพียงเปรยขึ้นแค่นั้นนายพลก็จัดการรินเหล้าผววสมโซดาแช่เยน็นที่วางอยู่บนโต๊ะก่อนแล้วส่งให้เขาทันทีกรพินยิ้มบางๆโ บ, บ, บกมือปฏิเสธ แล้วหันไปทางนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านครับผมไม่เหนื่อยอะไรหรอกครับเชิญท่านผู้ธุระของท่านได้เลยครับผมพร้อมแล้วที่จะรับฟังครับพลโทวิชัยหันไปทางบุตรชายพยักหน้าบอกว่าเชื่อแกเล่าให้คุณรพริงฟังสิพอนับบทคำหมับเหลือเกินไม่รู้จะพูดยังไงถูกพันริเชิดวุฒิหัวเราะเบาๆออกมาด้วยเสียงแปรง ลูกมือเข้าหากันในขณะที่เอาแขนทั้งสองเท้ายันเข่าไวเช้งโงกหน้าเข้ามาใกล้คุณพินครับบุรุษหนุ่มลักษณะแคล่วคล่องและเปิดเผยผู้นั้นเอ่ยขึ้นด้วยเสียงห้าวชัดเจนแต่แผ่วเบาผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่อ้อมคอมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไอการมาหาญิ ต, ตัวดีของเรานะ่ะทำเรื่องยุ่งขึ้นจะแล้วละ่ะเบียหสองลำหนึ่ง บินผ่านประเทศไทยไปทางด้านทิศตะ ว, วันตกเฉียงเหนือนายทหารหนุ่มพูดช้าๆจับตาอยู่ที่เขานิ่งระพินเงียบหูฝังมันจะมาจากไหนและจะไปไหนเป็นความลับที่ไม่ยอมเปิดเผยแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือเป็นที่เชื่อได้แน่นอนว่า B52 ลำนั้นตกรายงานข่าวล่าสุดของนักบินที่ติดต่อกับศูนย์บังคับการ พอจะทำให้ฝ่า ย, ายภาค พ, พื้นดินคาดคเนดได้ว่าเครื่องบินลำนั้นตกในเขตป่าทึบของลุ่มสารวินตอนเหนือเหนือขึ้นไปซึ่งเป็นดินแดนหลงสำรวจและลี้ลับมากกองทัพอากาศสหรัฐได้พยายามค้นหาตำแหน่งที่ตกและซ่าเครื่องบินลำนั้นตลอดสองอาทิตย์มาแล้วแต่ไม่พบร่องรอยวิ่แววอะไรทั้งสิ้นมีพิกัดของเส้นทางเดินทางอากาศโดยแผนยุทธศาสตร์อยู่หลายบริเวณ ซึ่งอากาศติดตลอดเวลามีหมอกคลุมทึบตลอดการได้เป็นตาสูงสลับไปด้วยขุนเขาใหญ่น้อยทาให้การค้นหาซากเครื่องบินลำนั้นโดยกองทัพอากาศหมดหวังเครื่องบินและโฮอหลายลำที่พยายามจะตรวจหาพบอุปตภวเหตุชนเขาพินาศไปหลายเครื่องนะครับพันริเชิวุฒหยุดชะงักไปโดยการจุดบุหรี่อัดควันลึก เด้ยวยังไงต่อครับระพินถามอย่างหน้าตายตามเดิมก็มีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเชิดวุดิแผ่วเบานิดนึงเหมือนกระซิบต้องออกตรวจค้นหาซากครับโดยทางพื้นดินจากทาง น, นำทางที่มีฝีมือดีที่สุดและไว้วางใจได้มากที่สุดด้วยซึ่งในป่าแถบนี้ทั้งหมดเรามองไม่เห็นใครอีกแล้วนอกจากคุณระพินคนเดียวเท่านั้นครับ กระพินไพร์วันหัวเราะเบาๆเขาเกือบจะพูดอะไรแรงๆออกไปแต่ก็ให้เกรงใจนายพลซึ่งเป็นผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้วยจึงย้อนถามเรียบกตามเดิมว่าเครื่องบินอเมริกันตกในเขตซึ่งยังไม่ทราบแน่นอนนะว่าจะอยู่ในพรมแดนของเราหรือเปล่าถ้ามันเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยของเราด้วยล่ะครับแล้วเครื่องบินนั้นลงได้ตกแบบนี้แล้วคุณคิดเหรอครับ ว่าคนในเครื่องบินไม่ว่าจะมีสักกี่คนจะเหลือชีวิตรอดอยู่ได้คุณระพินนห้พลขับขึ้นอย่างอึดอัดใจกษัตริงกลาโูมและสภ า, าการป้องการราชาณาจักรตลอดจนคุณไทยทุกคนไม่มีหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเครื่องบินตกลํานั้นหรอกครับและรัฐบาลสหรัฐเองก็ไม่ได้หวัง ว่จะต้องติดตามซาเครื่องบินหรือว่าติดตามคนที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำนั้นให้เสียเวลาแต่เมื่อทางฝ่ายเขาเปิดเผยกับเราว่าในเครื่องบินลำนั้นน่ะบรรทุกอะไรอยู่ด้วยนั่นก็ทาใหเรานิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้เหมือนกันและจำเป็นจะต้องร่วมมือกับเขาอย่างใกล้ชิดที่สุดแม้จะไม่เต็มใจก็าตามเนื่องจากมันเกิดความจำเป็นขึ้นซะแล้วความจาเป็นอะไรครับท่าน เจ้ากรมข่าวยกแก้วเหล้าขึ้นจิกแล้วถอนใจนิ่งไปลูกชายช่างงกหน้าเข้ามาชิดเขากับฟันกระสิบบอกมีสากกำเบือดุ่นหนึ่งไปจนในบีห้าจุดสองลำที่อัดบางด้วยครับคุณรพินเช่อพุธิมีอารมณ์ขันพอใช้แต่ขณะที่เขาพูดเช่นนั้นเขาขบกรามแน่นแววตาเต็งไปด้วยความขุนเคืองต่อเหตุการณ์รพินชะักนิดนึง เหลือบขึ้นมองหน้าแล้วถามหน้าตายว่าต่อให้เป็นสากกระเบือชนิดทองคำหุ้มด้วยเพชรมี่ค่าสักกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยอยู่นั่นแหละครับใช่ไหมครับมันไม่ใช่สากกระเบือเป็นทองหุ้มเพชรนะสิคุณหรือต่อให้ถั่วประธานาธิบดีสหรัฐเอง ไปอยู่ในเครื่องบินลำนั้นด้วยพวกเราก็ไม่อยากเกี่ยวขอ้องไอ้ทีนี้ไอ้ศักกระเบื้อดุนนั้นน่ะมันจะเป็นต้นเหตุก่นอชนวนยุ่งยากอะไรต่ออะไรให้ใครต่อใครได้สารพัดแล้วไอ้เจ้าของศักกระเบื้อเจ้ากรรมนั่นมันก็ห่วงของมันเช่นด้วยวกูจะไมปตกอยู่ในกำมมือของฝ่ายตรงข้ามแล้วพินไพร์วันลืมตาโพงท่านหมายถึงว่า ใช่แล้วเราเบิดนิวเคลียรสิ0เมกะตันหรือเท่ากบพีเอ็นทีสิบล้านตันทั้งสรันนังขับชามิรันใหญ่คลางออกมาจากริมฝีปากที่กระมุกขมิ่คุณเองก็เป็นนายาหารหนายตำรวจมาแล้วถึงแม่คุณจะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้เกี่ยวชาญเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียคุณก็คงจะทราบดีว่ามันเป็นอาวุธมหาประลัยเพียงไหนและสามารถจะสร้างความเดือดร้อนให้กับใครในรูปใดก็ได้ทั้งสิ้นเราเองก็เป็นประเทศเล็กและมีความเกี่ยวข้องในทางทหารรวมกับสหรัฐอย่างใดมาก่อนซึ่งไม่จงเป็นจะต้องพูดแต่ท่านครับ เขาแยงโดยเร็วเริ่มไม่ได้สบายใจขึ้นมาทันทีหันไปชำเลืองดูหน้านายอัมพลซึ่งนั่งหน้าซีจอยนั่งเงียบฟังอยู่ถึงยังไงเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปร่วมรับผิดชอบกับระเบิดลูกที่หายไปโดยอุ ป, ปัมภ์เหตุของเขาลูกนั้นนี่ครับก็ปล่อยเขาหากันเองถ้ามันจะสูญก็มันสูนไปเลยจาเป็นอะไรล่ะครับที่เราจะต้องไปช่วยเขาค้นหาพวกเขาเองนะ่ะเก่งกว่าเราสารพั เมื dadurch, e, ится, balls, ่อสิ่งที่เขาหวงแหนถือว่าเป็นความลับสุดยอดนั้นหายไปซึ่งก็เกิดจากการกระทําโดยฝ่ายของเขาก็ควรจะปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาสิครับท่านนายพลถอนใจเฮือควักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อมันพูดยากคุณระพินพูดยากจริงๆมีอยู่หลายกรณีเหลือเกินที่เราไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อทางเขาขอความร่วมมือมาเช่นนี้ สั่งลับจากรัฐ บ, บ, บาลของเขาให้ดำเนินการทุกชนิดเพื่อกู้ระเบิดลูกนั้นคืนมาให้ได้มี ข, อข้อความเหมือนจะเป็นคำขู่เราไว้ด้วยหลายอย่างเป็นต้นว่าถ้าายตรงข้ามติดตามค้นพบและเอาไปได้ก่อนความลับในเรื่องนี้ของเขาจะถูกเปิดเผยและอาจเป็นชนวนก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นได้ เรื่องนี้ฉนนั้นถ้าเปลือกุ่มนอกเกิดแตกกัมมันตภาพรังสีก็อาจระเหยออกมาซึ่งทิศทางลมโชยไปทางเขตไหนเขตนั้นก็จะได้รับอันตรายไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์หรือว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายประการต่อไปก็ผูดเหมือนเป็นการขูเราไว้ว่าฉนวนระเบิดหรือหัวรบของระเบิดลูกนั้น ไปบ้งไว้เรียบร้อยแล้วรอเวลาระเบิดโดยการส่งกระแสคลื่นวิทยุเข้าบังคับเท่านั้นและถ้าหากว่าเข้าตามคลื่นไม่ได้เขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้คลื่นวิทยุบังคับให้ระเบิดลูกนั้นระเบิดทํำลายตัวเองซะเรื่องที่จะปล่อยทิ้งให้สูญหายไปเฉยเฉยนะ่ยเขาจะไม่ยอมเป็นอันขาด และถ้าหากว่าเขาเกิดทําเช่นนั้นขึ้นมาจริงๆไ อ, บอ้บอมสิเมกตันมันเกิดระเบิดขึ้นคุณคิดว่ามันน่าสนุกนักเรยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของไทยก็ตามจริงอยู่พวกเราไม่มีทางที่จะรู้ถึงสายส่นกลในเกี่ยวกับความลับของอาวุธนิวเคลียร์ประเภทนี้เรารู้แต่เพียงว่าทํามันระเบิดขึ้น ทิปเดตของมันเป็นอย่างไรและอะไรจะติดตามมาเมื่อมันอยู่ในละแวกประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเช่นนี้วงการชั้นสูงของรัฐบาลฝ่ายเราพอรู้ว่าพ่อเจ้าประคุณเอาระเบิดนิวเคลียร์บรรทุกเครื่องบินผานประเทศเราและมาสุกหายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ไม่มีใครนั่งไปเก้าอี้ได้แล้ว เพราะนั่นคือลางแห่งความพินาชิบหายถ้ามันตกอยู่ในเขตบ้านเมืองเขาเองหรือไปตกที่ประเทศอื่นๆห่างไกลออกไปจากบ้านเราก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ที่รายงานข่าวว่ามันอยู่ใกล้ๆเขตแดนของเรานี่เองด้วยดีไม่ดีอาจจะอยู่ในเขตไทยนี่ก็ได้พรานใหญ่นิ่งอึ้งคอแข็งไปนาน สีหน้าอัตายด้านของเขาแบบนี้เปลี่ยนมาเป็นแดงเข่นไปโทรสั่งทำไม่มันถึงรด้ยำแบบนี้นะในที่สุดเขาก็โผลออกมาอย่างลืมตัวพวกเราทุกคนที่รู้ความลับเรื่องนี้ก็โวยออมาอย่างคุณทุกคนแหละคุณระพินมันเป็นเรื่องระยำมหาระยำทีเดียวแต่เรากม็มีทางที่จะทําเป็นทองไม่รู้ร้อนได้ความเดือดร้อนเนี่ยมันอยู่ที่พวกเรา บ้านเมืองของมันน่ะอยู่ห่างไกลกับเราคราชีกรุ๊กมันจะไปแค่อะไรคุณพ่อได้รับคําสั่งจากเบื้องสูงสุดให้มาพบเพื่อติดต่อกับคุณถ้าเราก็มุ่งมาหาคุณอย่างรีบด่วนที่สุดในนามของกระทรวงกลาโหมและสภาการป้องกันราชอาณาจักรงานที่คุณจะต้องทําในครั้งนี้นะ่ะเป็นงานทําเพื่อชาติโดยตรงนะคุณพันตรีเชิดพุทธกล่าวขึ้นเอื้อมมือมาจับแขนเขาไว้ ระพินหัวร้อฮึอหในลำคอโท่คุณผมจะมีปัญญาไปทำอะไรได้ล่ะครับสำหรับระเบิดนิวเคลียร์สิบเมกะตันลูกนั้นภายในห้องนั้นเงียบส ง, งับไปครู่หนึ่งมนุยการบริษัทไทยไวไลฟ์ผู้อยู่ในฐานะคนกลางขยับตัวอย่างอึดอัดระพินเขาเอ่ยขึ้นในขณะที่สองพ่อลูกยังนิ่งอยู่ เสียงของนายอัมพลแผล่วต่ำสีหน้าแสดงความยุ่งยากลำบากใจไม่น้อยไปกว่าคนอื่นๆในที่นั้นคุณไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใดๆกรระเบิดลูกนั้นหรอกประพินแต่ทุกฝ่ายหรืออาจหมายถึงประเทศชาติของเราต้องการจะพึ่งพาคุณในด้านการเป็นผู้นำทางเพื่อหาซากเครื่องบินตกในป่าลึกนั้นในฐานะที่คุณมีความชนานาญในป่าแถบนี้อยู่แล้ว คุณเพียงแต่นำไปให้พบกับตำแหน่งที่เครื่องบินลำนั้นตกอย่างเดียวไอ้เรื่องอื่นๆก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นเข้าไปปัญหาในขนะนี้ก็คือตำแหน่งที่เครื่องบินลำนั้นตกอันหมายถึงระเบิดลูกนั้นด้วยประเพิดครับก็เป็นเช่นนั้นแหละคุณนํำพ์พูดถูกละวกลาหมอยากจะขอร้องคุณในเรื่องนี้เท่านั้น เรื่องอื่นๆนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคต่างๆที่ร่วมทางไปกับคุณด้วยท่านเจ้ากรมข่าวเอ่ยเสริมมาจอมพลานจิตบุรีสูกเป็นตัวแรกตั้งแต่เริ่มเข้ามาในห้องนี้หัวคิ้วของเขาขมวดริมฝีปากเ ม, ม้มอาการไม่พอใจแสดงออกชัดจนทำให้อีกสามคนที่นั่งมองเขาอยู่เป็นตาเดียวในขณะนี้กระสับกระส่าย แม้แต่นายพลโทวิชัยเองพอคุณนเธอเนึกว่าเห็นแก่ประเทศชาติสักครั้งเถอะนะสุภาพบุรุษสูงอายุผู้นั้นกล่าวในน้ำเสียงวิงวอนเรามองไม่เห็นใครอีกแล้วนะคุณนอกเสจากคุณเท่านั้นที่จะช่วยเราในเรื่องนี้ได้ผมยังงงๆอยู่เลยนะครับท่าน ในที่สุดพานใหญ่ก็พูดออกมาพร้อมกระถอนใจยาวถอดหมวกออกมาถือไว้ในมือมันเป็นสิ่งที่ผมไม่คาดฝันแล้วก็ไม่ได้ดเตรียมตัวเตรียมใจมันฉุกเฉินกระทันหันเกินไปครับแล้วก็มีอะไรอะไรอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่ทราบรวมทั้งไม่ทราบด้วยว่าจะเรียนถามยังไงมันมึนไปหมดครับคุณระพินส ง, งบสติอารมณ์สักครู่ทุกคุณ แล้คุณสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยผมยินดีจะตอบให้คุณฟังหมดทุกอย่างเท่าที่ผมรู้ไอ้บีห้าสิบสองและลูกระเบิดลูกนั้นที่พลอยสูญหายไปด้วยนะมันเป็นความลับสักขนาดไหนล่ะครับท่านลับสุดยอดละคุณไม่มีใครรู้เลยนอกจากวงการทหารชั้นสูงของเราเพียงไม่กี่คนแล้วก็ตัวท่านนายกเท่านั้น คำสั่งที่ให้ดําเนินการกู้ระเบิดลูกนี้ส่งตรงมาจากวชิงตันโดยประธานาธิบดีของสหรัฐถึงนายกของเราเพื่อขอความช่วยเหลือผมหมายถึงประเทศที่ตรงข้ามกับสหรัฐนะครับแ้าข้อนั้นเราก็ไม่อาจรู้ได้เหมือนกันคุณทุกประเทศก็ล้วนมีนกลไกของงานจารกรรมแสกซึมปะกพลไปทั่วสิโล ต่างฝ่ายต่างก็สืบล่วงความลับของกันและกันอยู่จีนโซเวียตเวียดนามอยู่ในค่ายที่หน่ากลัวที่สุดในการที่อาจจะซึงความลับนี้ได้และมุ่งเข้าค้นหาจุดตกของเครื่องบินเช่นกันแต่จะยังไงก็ตามตั้งแต่เครื่องบินลำนั้นตกนักเวลาย่างเข้าอาทิตย์ที่สานี่แล้ว ยังไม่มีอะไรกระตกกระตากทั้งสิ้นข่าวก้องจากสหรัฐยังแน่ใจอยู่ว่ามันยังต้องเป็นความลับอยู่ไม่งั้นฝ่ายตรงข้ามก็คงจะไวุ่นวายขึ้นแล้วระพินคุณต้องเข้าใจด้วยนะว่าเขตที่เครื่องวินตกภายหลังจากมาประมวลข่าวกันอย่างดีที่สุดแล้วปรากฏว่ามันอยู่ในเขตที่คุณเป็นเจ้าปา่า ท่องเที่ยวช่ำชองชำนานทางมาก่อนเราจึงต้องมุ่งมาหาคุณถ้ามันตกอยู่ในเขตอื่นก็คงจะไม่เดือดร้อนถึงคุณหรอกถ้าถ้าแน่ใจหรือครับว่ามันอยู่ในเขตที่ผมเคยท่องไพรามาแล้วน่ะเราแน่ใจภายหลังจากประมวลข้อมูลทุกด้านแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นทางบินของฝ่ายเขา ก็ระบุบริเวณมาเช่นนั้นเมื่อเราได้บริเวณโดยสังเกตเราก็มุ่งเข้าหาจุดในการสืบค้นตำแหน่งตกก็โดยเหตุนี้แล้ะคุณเราจึงมองไม่เห็นใครนอกจากคุณรพินเท่านั้นที่จะนำทางได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะมันส่งชื่อผมออกมาอย่างนั้นเลยครับท่าน เขาถามเสียงคุณพันตรีเชิดพุธซึ่งเป็นนายทหารหนุ่มหัวเราะเอื้อมมือมาจับเขาเข้าไว้สั่นเบาๆคุณรพินคุณนี่เป็นคนมีอารมณ์ขันนะแม้จะเต็มไปได้วยความหงุดหงิดก็ตามมันก็ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนหรอกที่มันจะส่งชื่อคุณออกมาแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพยายามสืบค้นเอาเอง ว่าใครเป็นพานนำทางที่จะเหมาะสมที่สุดบังเอิญคุณพ่อท่านเคยรู้จักกับคุณอัมพลมาก่อนเราก็เลยต้องบากหน้ามาหาคุณไงก็เลยขอให้คุณอัมพลเนี่ยช่วยพูดกับคุณอีกแรงหนึง่งโดยจะคิดอะไรเป็นอื่นเลยครับประวัติของคุณนะผมทราบมาก่อนดีแล้วคุณเป็นนักเรียนเยอรมันรุ่นพี่ผมเรามาจากแหล่งเดียวกันนะครับเพียงแค่คุณกลับเพียงปีเดียวผมก็ไปเรียนต่อที่นั่น ระพินมองหน้าพันตรีเชิดวุฒิเต็มตาเป็นครั้งแรกเริ่มให้ความสนใจเพิ่มขึ้นลักษณะของนายทหารหนุ่มผู้นั้นเปิดเผยตรงไปตรงมาดีและคงจะเข้ากับเขาได้พอสมควรสังเกตจากดวงตาแจม่มใสปราศจากเล่เหลี่ยมคู่นั้นท่านครับสิทธิในการที่จะปฏิเสธที่เป็นของผมไม่ใช่เหรอครับเขาเอ่ยถามอีกครับ ใช่ระพินสิทธิในการจะปฏิเสธเป็นของคุณเต็งเปีย่ยมเราบังคับคุณไม่ได้หรอกเราอยากจะเอาความจริงมาพูดให้ฟังแล้วก็ขอร้องคุณแต่ถ้าระเบิดลูกนั้นถูกกู้คืนมาไม่ได้ประเทศของเราลำบากแน่คุณเคยเป็นนายทหารคุณย่อมรู้เองว่ามันจะลำบากยังไงบ้าง ทนนายพลพูดแช่มช้าอ่อนโยนทำโอพราหใหญ่นิ่งไปอีกครั้งท่านครับผมสงสัยนะครับว่าเครื่องบินตกทั้งลําการติดต่อครั้งล่าสุดของนักบินก็เป็นเครื่องพอจะชี้ได้ชัดเจนพอสมควรนะครับว่าเครื่องบินควรจะอับบางลงในส่วนไหนแต่ทําทไมการค้นหาทางอากาศถึงทำไม่ได้ล่ะครับ นายอพัพลลุกขึ้นมานั่งชิดเก้าอีระพินกล่าวว่านี่รพินคุณพูดเหมือนกับว่าคุณไม่รู้สภาพความเป็นไปของป่าที่คุณเคยบุกมาแล้วอย่างนั้นแหละว่ามันเต็มไปได้วยความลี้ลับมหศัศจรรย์เพียงไหนเอาละ่ะสมมติว่าคุณมีเครื่องบินหรือคอบเปอร์สักลำคุณสามารถจะชี้เส้นทางให้นักบินบินไปสารวจเทือกเขาพระศิวะที่คุณเคยเดินด้วยเท้าผ่านมาแล้วได้ถูกไหม นิทานนครภูเขานิลการบึงมรณะเงินพระจัน์ฐานพระอุมามรกรนครเป้าหมายเหล่านี้คุณแน่ใจเด้อว่าค้นหาได้โดยทางอากาศระพินรีตาลงยังนั่งอยู่เช่นนั้นมันเป็นความจริงตามที่นายอำพลพูดทุกอย่างปาดงดิบที่เขาเคยบุกบันมาแล้วเป็นดินแดนอาถรรพ์ลี้ลับที่สุด มันถูกปิดบังอำพรางไว้ด้วยมือแห่งเทพเจ้าซึ่งแผนที่ภูมิศาสากลไม่สามารถจะนำมาใช้ได้โดยสิ้นเชิงสถานทิณต่างๆที่เขาเคยนำคณะของคุณชายเชฐาผ่านมาแล้วอย่างเสี่ยงอันตรายจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดมันถูกซ่อนตัวมิดชิดอยู่ในแดนสนธยาดินแดนซึ่งไม่ปรากฏในภูมิศาสต์โลกระพินรีตาลงยังนั่งอยู่เช่นนั้น มันเป็นความจริงตามที่นายอมพลพูดทุกอย่างปาดงดิบที่เขาเคยบุกบั่นมาแล้วเป็นดินแดนอาถรรพ์ลี้ลับที่สุดมันถูกปิดบังอำพรางไว้ด้วยมือแห่งเทพเจ้าซึ่งแผนที่ภูมิศาสตร์สากลไม่สามารถจะนำมาใช้ได้โดยสิ้นเชิงสถานทินต่ต่างๆที่เขาเคยนำคณะของคุณชายเชฐาผ่านมาแล้วอย่างเสี่ยงอันตรายจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดมันถูกซ่อนตัวมิชิ อยู่ในแดนสินธยาดินแดนซึ่งไม่ปรากฏในภูมิศาสตร์โลกเจ้าบีห้าสิบสองลำนั้นอาจจะพลัดเข้าไปในดินแดนลึกลับนั้นก็ได้การค้นหาทางอากาศจึงปราศจากผลโดยสิ้นเชิงหาไม่เช่นนั้นแล้วบุคคลคณะ น, นี้ซึ่งเป็นตัวแทนของโลกวิทยาศาสตร์ต้าวน้าที่เจริญสุดยอดแล้วคงจะไม่ต้องหลักหน้ามาหาเขาจนถึงที่นี่ เพราะชื่อเสียงอันระบือไกลในด้านมักคุเทศเดินโดงของเขาเซนแอนอมพลกล่าวต่อมาว่าคุณพินคุณไม่ต้องสงสัยหรอกว่าถ้าอากาศของซารัสได้ใช้ความเพียรพยายามมาแล้วสักขนาดไหนและทุกวันนี้ก็ยังทำการตรวจค้นหาทางอากาศอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายแต่ความหวังนะ่ะมันเลื่อนลอยเต็มทีคุณ ก็ถึงต้องให้ค้นหาทางภาค พ, พื้นดินอีกแรงหนึ่งไอ้ผมเองก็ไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรขึ้นมาอย่างงั้นทั้งนั้นแหละเพียงแต่ในฐานะคนไทยคนนุณพอรู้ข่าวเนี่ผมก็แทบช็อกมันตกเป็นภาระจำยอมของเราเสียแล้วล่ะคุณเพื่อช่วยให้อะไรต่ออะไรมันดีขึ้นประเทศของเราหรือประเทศใกล้เคียงกับเรามันไม่สมควรที่จะต้องตกเป็นแหล่งทดลองไอ้บอ 10, มสิทธิ์แมกระตันไม่ใช่เหรอคุณ ดีจะพากันฉีกหายวายวอดศูนย์พันกันไปทั้งภาคพื้นนี้หรอกถ้าเขาใช้คลื่นวิทยุบังคับให้มันระเบิดขึ้นเป็นการจำน่ายทิ้งภายหลังจากที่แน่ใจว่าหมดหวังที่จะค้นหาคืนมาได้และป่านนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเปลือกนอกของมันน่ะมันแตกหรือรั่วปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาแล้วบ้างหรือยังราพินไพรวันบอกกับตนเองว่าเขาไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ใชแล้ว ไม่ใช่แค่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นแต่ในฐานะของมนุษยชาติคนหนึ่งที่เดียวพร้อมๆกับความรู้สึกนั้นเขาก็มีความรู้สึกอยากจะฆ่าคนอเมริกันให้หมดทั้งชาติสัตว์มหาประไล่มาเกิดแท้ๆไอ้พวกนี้แพนใหญ่คำรามรอดไรฟันออกมาอุบอิบแล้วก็ดื่มล่กแก้วนั้นจนหมดเกลี้ยง ภายหลังจากบังคับ จ, จิตใจอันพลุ่งพล่านเดือดแค้นลงเป็นปกติเ้าเ อ, อ่ยเรียบเรียบอย่างไม่มีพิธีรอตองว่าก็อลองบอกมาสิครับว่าเราจะเริ่มต้นกันยังไงสีหน้าของท่านนายพลและบุตรชายผู้เป็นทศออแช่มชื่นขึ้นทันทีเจ้ากรมข่าวชะ ง, งกหน้าเข้ามาจับมือเขาไว้กล่าวอย่างยินดีคุณกิน เรื่องนี้นะงบประมาณไม่อัน้นกำลังคนก็ไม่อัน้นเราจะออกเดินทางโดยเร็วที่สุดหน้าที่ของคุณก็เฉพาะนาทางไอ้ส่วนการกู้ระเบิดนะ่ะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่จะร่วมทางไปด้วยแต่คุณตกลงผมจะวิทยุเข้าบอกอสูงสุดเดี๋ยวนี้เลยว่าเราได้พบกับคุณและตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละครับ ผมเองก็เห็นจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แล้วแต่ก็อยากจะเรียนว่าการที่ผมเป็นผู้นำค้นหาซากเครื่องบินลานั้นน่ะมันเป็นความหวังที่เลื่อนลอยมากนะครับพวกเขาเองน่าจะรู้ดีกว่าว่าตาแหน่งเครื่องตกควรจะอยู่ที่ไหนส่วนผมนัไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวบารุงมันก็กว้างใหญ่เหลือประมาณผมจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องนำทางล่ะครับ ถ้าเพียงแค่เดินตะลุยหาไปกลางป่าเขาลำเนาใครมันก็เหมือนคนตาบอดที่พยายามจะงมเข็มในมหาสมุทรนั่นแหละครับก็ดีนะผมเข้าใจดีคุณระพินคุณจะไม่ต้องง ม, มหาอย่างปราศจากจุดหมายหรือปราศจากหลักเกณฑ์ในการนำทางนักเรามีแผนที่โดยขาดคนเนว่าใกล้เคียงที่สุดติดตัวกันมาด้วย ึงจะแสดงตำแหน่งอับปางของเครื่องบินโดยสังเกตถ้าจะคาดเคลื่อนไปบ้างก็เข้าใจว่าคงจะไม่ห่างเกินกว่า3ถึง500ตารางกิโลเมตรผมคิดว่าพอคุณเห็นแผนที่คร่าวๆนั่นแล้วคุณจะต้องคเนทูว่ามันควรจะอยู่บริเวณไหนและนำทางไปเช่นไร เพราะคุณก็ชำนาญภูมิประเทศดีที่สุดอยู่แล้วไอ้ทีนี้ไอ้การที่จะเดินทางด้วยเท้าไปให้ถึงตำแหน่งนั่นนะสิมันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะช่วยนำไปเพราะเรารู้ว่าป่าบริเวณนั้นนะ่ะมันสลับซับซ้อนลี้ลับมากถ้าพลานำทางมือไม่ถึงย่อมจาที่จะสำเร็จผลได้ กระพินยกหลังมือขึ้นขยี้จมูกเบาๆหัวร้อเสียงแป่กก็อย่าเพิ่งหวังเชื่อหรือหวังอะไรในตัวผมมากเกินไปนะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะนำไปถูกตำแหน่งแห่งที่ค้นพบซากเครื่องบินลำนั้นหรือเปล่าอาจจะพาทุกคนที่ร่วมทางไปด้วยสู่ความตายซะทั้งหมดก็ได้นะครับมันก็ต้องเสี่ยงกันละคุณกพิน และที่อุนใจที่สุดก็คือเรื่องการนำทางของคุณคุณจะนำไปพบหรือไม่พบนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งขอเพียงให้คุณยอมรับคำขอร้องของเราและปฏิบัติหน้าที่ของคุณให้เต็มฝีมือเท่านั้นเราพอใจแล้วครับพันตรีเชิดบุตรกล่าวแทรกขึ้นนั้นมีใครบ้างครับที่จะเดินทางไปในครั้งนี้รัพพินถามโดยไม่เจาะจงว่าจะถามท่านเจ้ากรมข่าวหรือบุตรชาย นายพลโทวิชัยชี้มือไปที่บุชายในทันทีก็เชิดบุตรคนหนึ่งละคุณเชิดบุตรจะไปในฐานะตัวแทนของฝ่ายไทยซึ่งจะช่วยในด้านประสานกับคุณนอกนั้นอีกสี่ค น, นเป็นคนของรัฐบาลสหรัฐโดยตรงเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคในงานนี้โดยเฉพาะทั้งนั้นคนหนึ่งเป็นนักเคมีฟิสิก คนหนึ่งเป็นผู้ชำนาญการเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์และการบินคนหนึ่งเป็นนายทหารเสนาธิการอีกคนหนึ่งเป็นแพทย์และนักธรณีวิทยาส่วนพวกลูกหากลูกมือทั้งหลายน่ยคุณเป็นฝ่ายจัดหาเอาจากคนของคุณและถ้าคุณตกลงแน่นอนก็โปรดอย่าได้หาว่าเป็นข่าจ้างข่าอ่อนอะไรเลย รับตั้งเงินสมนาคุณไว้เป็นจำนวนหนึ่งล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์นอกเหนือไปจากค่าใช้ใจ่ายอื่นๆทุกชนิดเงินจำนวนนี้จะจ่ายให้คุณทันทีก่อนการออกเดินทางและภายหลังเมื่อพบแล้วกู้ระเบิดลูกนั้นได้เรียบร้อยแล้วจะจ่ายให้แก่คุณอีกหนึ่งล้านเหรียญเป็นเงินรางวัลพิเศษ นายอภตบมือผัวร้องออกมาว่าเป็นเงินจำนวนไม่เลวนะระพินคุณโชคดีแล่ะจอมพราน ย, ยักไหล่นิดนึงโพล่ อ, ออกมาว่าแต่ผมว่าผมซวยระยำหมาซะมากกว่าเงินมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าหาพวาผมไม่ต้องการและถ้าจะพูดกันถึงเรื่องโชคลาภโอกาสแห่งความร่ำรวยนะผมก็ผ่านพบมาสนักตอนนักแล้ว เพียงแต่ว่าผมไม่ได้สนใจจะกอบโกยเอาไว้เท่านั้นแหละสิ่งที่ผมต้องการคือความสันโดษทำมาหากินอย่างสงบสุขไปตามประษาของผมไม่ได้คิดมักใหญ่ไฟสูงหรือทะเยอเทะยานอะไรทั้งสิ้นแต่ที่ผมยอมรับงานครั้งนี้นะก็เพื่อเห็นแก่มนุษยชาติสัตว์แล้วก็พืชพันธุ์ในภาคพื้นภูมิประเทศนี้ทั้งหมดเท่านั้นแล้วมันก็เป็นงานที่เสี่ยงกับชีวิตไม่ยิ่งย้อนกว่าครั้งที่ผมบุกเทือเขาพระศิวะ เพื่อติดตามคนสาบสูงครั้งนั้นหรอกแต่มันอาจจะมากกว่าครั้งนั้นซะก็ได้นะผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์ Life, หัวเราะเจื่นไปหันไปพูดกับท่านนายพลเป็นความจริงกับท่านดพินนะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสนใจใยดีอะไรกับเงินทองหรอกเขาสมาถะแล้วก็มีคติในการดํารงชีวิตไม่เหมือนคนอื่นเป็นคนที่มีเกียรติยศในด้านความเจความสุจริตแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษที่สุดคนหนึง ข้อนี้ผมรับรองได้ครับพลโทวิชัยหัวเราะเบาๆตาที่ทอดมองมายังจอมพรานเป็นประกายสมหวังคุณรบพินผมพอจะทราบกิตติศัพท์ชื่อเสียงของคุณมาดีพอสมควรยังนึกเสียดายอยู่วะทำไมคุณถึงได้ลาออกจากราชการซะประเทศชาติของเรา ถ้ามีคนอย่างคุณสักครึ่งเดียวเท่านั้นจะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้อีกมากผมทราบดีจากประวัติว่าคุณลาออกจากนายตํารวจระเวนชายแดนครั้งนั้นเพราะอะไรแต่ก็นั่นแล้วนะอย่าพูดอะไรถึงความหลังครั้งเก่าให้มันสะเทือนใจคุณอีกเลยถ้าเป็นความพอใจของคุณผมคิดแล้วว่าเสร็จงานสำคัญครั้งนี้ เรียบร้อยแล้วก็อยากจะเรียกคุณกลับเข้ามาประจํากองทัพบกเอาไหมคุณระพินคุณไม่ต้องเกรงว่ายศเดิมคุณเพินเพียงแค่ร้อยตารวจเอกความดีความชอบที่คุณกระทำในครั้งนี้ผมมีทางที่จะเสนอกระทรวงกลาโหมบูญบําเหน็จให้จนถึงยศชั้นพันโททีเดียวแต่คุณต้องประจําทัพบกเนะี่ย ในหน่วยอื่นนะผมไม่สนับสนุนหรอกไม่ละครับท่านผมกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับในความการุณาผมพอใจที่จะดำเนินชีวิตอิสระของผมอย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้มากกว่าที่จะเข้าไปรับราช ก, การอีกครั้งครับไม่ว่าจะในหน่วยใดแต่ผมก็ยินดีที่จะช่วยทางราช ก, การเส ม, สมอครับในสิ่งที่ผมช่วยได้ แต่ว่านอกจากคุณเชิดบุตรและเจ้าหน้าที่เทคนิคของอเมริกันสี่คนที่จะเดินทางไปกับผมแล้วนี่มีอุปกรณ์หรือสัมภาระที่จะต้องนําไปด้วยนั้นหนักประมาณสักเท่าไหร่ครับท่านระพินตักบทเข้าหาเรื่องงานทันทีนายพลโทท่านนายพลลุกขึ้นยืนตอบว่าเรื่องนี้ผมก็ยังไม่ทราบแน่นอนนัก น, นะครับ เอาเป็นว่าขอเชิญคุณพบกษีคนนั่นเองดีกว่าเป็นบุคคลที่ทางรัฐบาลของเขาคัดเลือกตัวโดยเฉพาะมาแล้วและทางฝ่ายเขาเป็นเจ้าของเรื่องโดยตรงผมเองก็มีหน้าที่เพียงมาช่วยเจราจาขอร้องคุณเท่านั้นแหละ้ส่วนเชิญบุตรที่จะให้ไปด้วยนี่ก็เพื่อเป็นตัวแทนทางฝ่ายกะลาโหมของเราเชิญทั้งนี้แต่คุณระพิน สี่คนมารอคอยคุณอยู่แล้วในห้องโนนเขาเราให้ทางผมเจราจากับคุณให้เรียบร้อยเป็นที่เข้าใจเสก่อนถ้าหากคุณมีข้อข้องใจหรือสงสัยอะไรต้องซักถามก็ถามพวกเขาได้เลยคงจะต้องปรึกษาหารือกันอีกมากทีเดียวก่อนการออกเดินทางเชิด ว, วุฒิอัมพยืนขึ้นก่อนระพินไพรวันถอนใจเฮือก ยืนเป็นคนสุดท้ายพวกรวยการบริษัทส่งสัตว์ป่าออกนอกประเทศเป็นผู้ที่รู้จักมักคุ้นกับเจ้าในายใหญ่โตในเมืองหลวงทั้งไหลหันมาพยักหน้าชวนเข้าอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเข้ามาจับแขนไว้ในขณะที่ท่านนายพลและบุตรชายหายลับเข้าไปก่อนแล้วภายในห้องทำ ง, งานใหญ่ของเจ้าของสถานที่ซึ่งเมื่อบ่ายวานนี้เอง เป็นตำแหน่งซึ่งไม่ดอกฟ้าดารินของเขายืนคอยเขาอยู่ด้วยอาการทำไก่น่ารักเมื่อแรกพบหน้ากันระพินจำต้องเดินตามเข้าไปด้วยช้าๆก่อนจะผ่านเข้าประตูห้องนายอัมพลก็รกระซิบกับระพินว่านี่คุณระพินมีแ่งผมทองคนหนึ่งผมนสีบลูนเนี่อีกคนหนึ่งอายุไม่เกินสามสิบุณนบบัก อย่าบอกใครเจ้าคุณผมดูท่าไม่ออกเลยว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคทางด้านไหนนอกจากเป็นไก่สดของไอ้ยักษ์สองตัวนั่นที่มันหิ้วเอาไปไว้เคี้ยวเล่นแกะกลุ้มตอนเดินป่านะ่ะอาดงุงรวพิงพึมพังออกมาแผ่วเบ า, เบาหน้ามุย่ยอะไรวะเดินป่าทีไรมีผู้หญิงร่วมด้วยทุกทีตายฮะกูน้ำพนกูน้ำพน ฉันหาเรื่องยุ่งมาใส่หัวผมได้ตลอดเวลาจะรู้จริงๆว่าเมื่อไหร่นะัเสือมันจะหลุดกลงมาขบกรมองคุณสักทีนี่ว่าแต่ถามอะไรหน่อยเถอะถามอะไรอะคุณคุณหญิงรู้เรื่องนี้หรือเปล่าโธ่คุณจะไม่รู้อะไรแล้วคุณหญิงนะ่ะออกจากที่นี่ไปตั้งร่วมสองชั่วโมงแล้วพวกนี้ถึงได้มาถึงขนาดผมเองก็ไม่รู้ล่วงหน้านะคุณ ก็เพิ่งมารู้เอาวิตอนท่านนายพลท่านมาถึงนี่แหละพอรู้เราเราก็รีบให้ประเสริฐไปตามคุณมาถ้างั้นผมขออะไรหน่อยได้ไหมขออะไรยอย่างกคุณน้ำพลอยามรใหงใครให้คุณหญิงหรือพี่น้องสกุลวราริศทราบเป็นนั้นขาดในระหว่างที่ผมยังไม่ได้ออกจากที่นี่จนกว่าผมจะเดินทางเข้าป่าไปแล้วรับปากได้ไหม นายอำพลช่างนักอยู่กันที่ก่อนที่จะเต้าถึงประตูลืมตาโพร่งจ้องหน้าเขาระพินมีสีหน้าหมุนหมองเครียดขึ้นจริงสินะนี่ถ้าคุณหญิงรู้นะ่ะคงอรารวาดผมวันไหลแน่แล้วคุณก็มีนับกับเธอไว้ด้วยสิว่างานมันเกิดที่กรุงเทพนี่คุณจะต้องไปไปแล่วว่าแต่ราชการงานสำคัญของชาตินะ ย่อมเหนือสิ่งอื่นใดผมไปคราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะเรียกลับมาหรือเปล่าและผมไม่ต้องการถูกขัดขวางใดๆทั้งนั้นอีกทั้งไม่ต้องการให้เธอทราบก่อนเวลาอันควรด้วยเพราะฉะนั้นเธอจะรู้หรือไม่รู้นะ่ะมันอยู่ที่คุณคนเดียวนะคุณนําพลรับปากนะว่าอย่าบอกเธอเป็นอันขาดถ้าคุณอยากให้ผมไปทางานในครั้งนี้โดยไม่ต้องกังวลห่วหน้าพาวงหลัง นายอัมพลมองเขาอย่างเห็นใจและรู้สึกสงสารจนบอกไม่ถูกเอื้อมมือกอดไหลระพินไว้ตกลงระพินผมจะไม่บอกให้คุณหญิงรู้หรือใครๆทั้งนั้นแหละไม่ให้รู้ทั้งนั้นจนกว่าคุณจะออกเดินทางไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นแล้วก็คงจะปิดไว้ไม่ได้หรอกคุณถึงยังไงเธอก็ต้องมาเค้นคอถามผมจนได้นั่นแหละถ้าหากว่าถึงวันเกิดของเธอแล้วคุณไม่ขึ้นไป ก็ช่างเถอะครับเธอจะรู้ภายหลังก็เป็นอีกเรื่องนึงฝากบอกเธอด้วยแล้วกันนะครับว่าคนชื่อระพิน์ไทรวันอขอลาก่อนถ้าไม่ตายซชผมจะกลับมาเธอเห็นหน้าอีกแต่ถ้าบุญวาสนาไม่มีผมก็คงจะสูญหายไปเลยขออย่าให้เธอห่วงหรืกอกังวลใดๆทั้งสิ้นแล้วก็พยายามสกัดกัน้นห้ามปลามไว้ด้วยนะครับ ถ้าหากเธอจะออกติดตามผมไปสัญญานะครับคุณนำผล